หัวข้อทุกขนิโรธอริยาสัตย์ความจริงเกี่ยวกับการดับทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขนิโรธอริยาสัตย์เป็นชไหนความสํารอกและความดับโดยไม่เหลือความสลัดความส่งคืนความปล่อยวางความไม่มีอาลัยในตัณหานั้นก็ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่ไหนเมื่อจะดับย่อมดับในที่ไหน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 จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกเมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหาย่อมละเสียไดย้ดับเสียได้ในที่นี้จักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลก เมื่อบ <departure> ุคคลจะละเมื <ute> ่อบุคคลจะดับตัณหาย่อมละเสยได้ดับเสียได้ในที่นี้จักขุสัมผัสสัชาเวทนาโสตสัมผัสสัชาเวทนาคานสัมผัสสัชาเวทนาจิวหาสัมผัสสัชาเวทนากายะสัมผัสสัชาเวทนามโนสัมผัสสัชาเวทนาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกเมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหา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 เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกเมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหาย่อมละเสดได้ดับเสดได้ในที่นี้รูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหารสตัณหาผลถภาตัณหาธรรมะตัณหาเมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหาย่อมละเสดได้ดับเสดได้ในที่นี้รูปวิตกสัทธวิตกคันธวิตกรสวิตกผลภวิตก ธรรมวิตกเมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหาย่อมละเสียได้ดับเสียได้ในที่นี้รูปรวิจารณ์สัทาสาธาวิจารณคันธะวิจารณรถวิจารณ์พทธภพวิจารณ์ธรรมวิจารณ์เมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหาย่อมละเสียได้ดับเสียได้ในที่นี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัจ